ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคพระหันตะสัมมาสัมพุท ธ, ธเจ้าพระองค์นั้นณโอกาสนี้เป็นโอกาสสะดับรับฟังพระธรรมคำสั่งสอนพร้อมกันนี้ก็ให้พากันตั้งใจ นั่งสมาธิภาวนานั่งกรรมฐานนั่งวิปัสสนาไปในตัวคือให้นั่งขัดสมาธิการนั่งขัดสมาธินั้นมีอยสองแบบแบบหนึ่งเรียกว่าเอาขาขวาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายอันนี้ ทุกคนเคยรู้จักเคยนั่งแต่นั่งสมาธิอีกแบบหนึ่งที่ท่านว่าหลวงพ่อเพชรคือนั่งขัดสมาธิเพชรมีพระพุทธรูปปางหนึ่งให้ชื่อว่าหลวงพ่อสิ่งแสนหลวงพ่อเพชรคือท่านนั่งขัดสมาธิเพชร เนื่องมาจากพระพุทธเจ้าวันที่พระองค์จะได้ตรัสสลูเป็นตระพุทธเจ้านั่งภาวนาใต้ลมไมโพนั่นพระองค์นั่งขัดสมาธิเพชรคือเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายอันนี้ผู้ที่ไม่ยังไม่ได้เคยหัด ก็ให้หัดนั่งบ้างถ้าหัดคุ้นเคยแล้วสบายแล้วนะสบายกว่าแบบที่เอาขาขวาทับขาซ้ายเขื่อว่าขาทั้งสองมันมันถูกพื้นเหมือนเหมือนกันจะเน้นยางว่าเอาขาขวาทับขาซ้ายขาซ้ายที่อยู่ต่ำมันก็นรับน้ำหนัก ไม่เท่ากันถ้านั่งขัดสมาธิเพชรเอาขาซ้ายขึ้นทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นทับขาซ้ายอันนี้มันเท่าเกันแบ่งส่วนเท่ากันส่วนมือนั้นก็มือขวาทับมือซ้ายอันนี้เป็นระเบียบเป็นระเบียบทางรูปร่างกาย ให้หัดไว้แต่จุดมุ่งหมายนั้นไม่ใช่ต้องการเอาแค่ละเกียบนั่งสมาธิทางนอกนี้ต้องการจิตใจสงบระงับเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวเมื่อนั่งสัดสมาธิเสร็จเียบร้อยแล้วให้หลับตาทำไมท่านจึงให้หลับตา เพื่อว่าตานี่มันอยู่สูงถ้าเราลืนตามันไปเห็นแต่โูกทางนอกสว่างออกไปทางนอกท่านจึงให้ปิดหลับตาแต่ไม่ใช่ให้นั่งหลับนะนั่งหลับนั้นไม่ได้การนั่งไม่ต้องหลับไม่ต้องง่วง ทำจิตใจให้ชื่นบานต่อธรรมปฏิบัติฟังธรรมโดยเคารพมีสติอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกเตือนใจของเราให้มีสติอยู่ทุกเวลาการนึกกุบายต่างๆนั้นส่วนมากท่านก็ให้นึกว่าพุโทโธพุธโทโธธรรมโมสังโฆ คนรัตนาตรัยในพุทธศาสนานี่กับพระพุทธเจ้าพุทโธหมายถึงกับพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้บำเพ็ญบารมีมามากมายหรือว่าสี่สงไขยแสนมหากัดยึงได้มาตรัสลูกเป็นพระพุทธเจ้าได้ไม่ได้ว่าไม่ได้ทําอะไร ก็มาเป็นปพระพุทธเจ้าตัดสรุปไม่ได้พุทธศาสนานี้มีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมเจ้ามีพระสังฆเจ้าพระสังฆเจ้าสงฆ์เจ้าก็คือว่าคนเราธรรมดานี่กดได้หรือเทวาอินพรหมใครเลื่อเลื่อมใสฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอริยเจ้าแล้วเอามาภาวนา มารวมจิตจใกของตนให้สงบตั้งมั่นเป็นสมธิไม่แส่ไปตามอารมณ์ผลาเมื่อเป็นสมาธิ้นที่แล้วจิตใจวงนี้จะได้ความรู้ความฉลาดแย้งเห็นจริงในโลกในนามในโลกในวัฏสงสารอันนี้ถ้าใจนั้นไม่สงบตั้งมัน่น เจแต่ความแสบออกไปภายนอกนั้นเจตใจนี่ไม่กำลังมีความสามารถในการที่กัมภาวนาในใจนะที่เราเข้ากันอยู่คือว่าใจขัประเจ้าทำไมอ่อนแอทอดยกไม่ขึ้นนั่งสมาธิภาวกาปวดแข้งปวดขามืนต่างๆปวดหลังหมดร่างกาย อันนี้เ้วคือวไวมันอ่อนแอแท้มีทิใจ ไ, ไม่เป็นสมใจไม่ตั้งใจอ่อนแอมุท่อพแอ่ อ, อนโทไม่อยู่ในใจไม่อะไรอะไรใจ ไ, ไม่ได้เพราะใจมันอ่อนทีการสมาธิกับสมาธิปลมพักเซิงก็มาทำให้จิตศรัทธาศรัทธาชื่อ ความเชื่อในกประบติชอบของประพุทธในครั้งพุทธสมัยพระมาะยังเป็นบุญทานภาวนาเกิดพุทธกได้ฟังจากทักจะอันระปฏิบัติมีนั้นข้อนี้ส่อยสำสำัญการทำบุญให้ทานของบุคคลผู้นั้นได้ทำมามากมายเหมือนกัน การรักษาศีลห้าของบุคคลผู้นั้นได้รักษาศีลห้ามาหลายพบหลายชาติตลอดมาจนถึงปัจจุบันชาติเมื่อมาได้ยินได้ฟังพระธรรมคาสั่งสอนที่พระพุทธเจ้าทรงตัดทรงชี้แจงแสดงไว้ครบถ้วน ศรัทธาความเชื่อในใจของคนสมัยนั้นก็เรียกว่าตื่นขึ้นลุกขึ้นตั้งใจคำว่าตั้งใจนั้นมันเป็นคาสำนวนนคำพูดความจริงคำว่าตั้งใจไม่ใช่จะไปตั้งเอาแต่ใจได้กายก็ต้องตั้งร่างกายก็ประกอบกระทำอยู่ในหลักศีลทำคำสั่งสอน วาจาก็ต้องตั้งอยู่ในหลักศีลธรรมคำสั่งสอนจิตใจก็คิดอ่านไปในน้ำธรรมคำสั่งสอนคือภาวนาอยู่นั่นเองจึงจะพากายวาจาจิตของบุคคลแต่และบุคคลนั่นแหละให้เป็นไปเพื่อความสงบตายสงบวาจา คำว่าสงบ ก, กายก็ประพฤติปฏิบัติประกอบกระทรรมในสิ่งที่ไม่เกิดทุกข์ไม่เกิดโทษได้แก่การไหว้พระสวดมนต์สะดับรับฟังพระธรรมคำสั่งสอนจดจำเอาธรรมะคำสั่งสอนด้วยจิตใจของตัวเองแล้วก็นำไปปฏิบัติ ทำว่าปฏิบัติปฏิบัติรักษาปฏิบัติบูชาปฏิบัติดีปฏิบัตบิ ช, ตตชอบประกอบในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลคือว่าจะทาพูดคิดอะไรก็เป็นไปตามธรรมนองครองธรรมภายในจิตใจก็เจริญภาวนา มีพุโทโธพุธโทโธอยู่ในดวงใจหรือจะกาหนดพิจารณาชาติความเกิดเป็นทุกข์ชรลาความแก่เป็นทุกข์พยาธิความเจ็บไข้เป็นทุกข์มรณะความตายเป็นทุกข์อะไรสิ่งเหล่านี้แหละจะพาให้จิตใจของผู้ปฏิบัติธรรมในยุคก่อนสมัยก่อนนั้นจเจริญรุ่งเรืองเทอว่า เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามคำสอนที่พระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายสั่งสอนท่านเหล่านั้นก็มีจิตใจอันสงบหลังงับสิ่งที่ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นก็รู้เห็นเป็นไปได้เพราะจิตของท่านเหล่านั้นมีความสงบตั้งมัน่น ไม่เลาะและวันไหวสันส่นสะเทือนใจที่ลุ่มหลงไปตามอำนาจกิเลสความโกรธกิเลสความโลภ ก, กิเลสความหลงท่านเลิกละปล่อยวางไม่ไปตามทีนี้เมื่อจิตของท่านไม่หวันไหวไปตามอารมกกิเลสจิตมันก็ตั้งมัน่น คำว่าตั้งมัน่นคือตั้งแต่ที่จะทำความดีม่งอยู่ในคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ม่งอยู่ในศีลสมาธิปัญญาม่งอยู่ในทานศีลภาวนารวมจิตรวมใจให้สงบตั้งมั่นเข้ามาอยู่ในเนื้อในตัวในกายในจิตเป็นผู้มีสติเตือนจิตของตนอยู่ตลอดเวลา ว่าคนเราที่เกิดมาแล้วนี้มีความแก่มีความชราํำรุดชุดโทรมไปอยู่ทุกวันเวลาแม้เราจะอยู่ในที่ดีอันเก่าบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของเราก็ตามแต่ความจริงลูก ร, ร่างกายของคนเรามันไม่ได้อยู่ความแก่ความชรามันเลื่อนที่ไปอยู่เสมอ ดูทุกข์ครที่เรามาเกิดในชาติหนึ่งหนึ่งหรือชาตินี้ก่อนที่เราจะได้รูปร่างกายตัวตนอันนี้มาเราทุกข์คนต้องไปปฏิสนธิวิญญาณ น, นอนในคันมารดานอนในท้องแม่นอนในท้องแ ม, นนนงแม่ตั้งเก่าเดือนสิบเดือน คิดดูสิว่าอยู่ในที่คับแคบอยู่ในสิ่งปฏิกูลโสโครจึงได้ลูกประขันตัวตนเราท่านทั้งหลายนี่มาได้มา ด, ด้วยความลำบากเมื่อเกิดมาแล้วทีนี้บางคนก็ อายุไม่กี่ปียังไม่ได้บำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนาตายไปเสร็จแล้วก็มีเยอะแยะบางคนก็อายุยืนยาวข่าวไกลมาจนถึงสิบปียี่สิบปีสามสิบปีแต่ไม่ได้ทำความดีไม่ได้รักษาศีลภาวนาไม่ได้ทำกองการกุศลก็ได้ชีว่นชีวิตนั้น ก็ยังเปล่าประโยชน์อยู่การที่เราได้มาได้ยินได้ฟังธรรมะคำสั่งสอนที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้สาวกทางหลายท่านครูบาอาจารย์ต่างๆท่านนำมาสอนพวกเราโดยลำดับอันนี้สันว่าเป็นบุญเป็นกุศลอันสำคัญ เชื่อว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์มนุษย์สปฏิลาโภการเกิดมาเป็นคนเป็นลาบอันประเสริฐคือคนเรานั้นรู้จักแก้ไขเปลี่ยนแปลงเมื่อเห็นว่าสิ่งใดไม่ดีก็ไม่ทำไม่พูดไม่คิดไปตามแก้ไขทำแต่สิ่งที่ดีเรียกว่าทำดีพูดดีทำดีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ยนคิดดีคิดภาวนาพุโทโธพุธโทโธในใจของตนได้สิ่งเหล่านี้แหละจะได้เปลี่ยนแปลงจิตใจของเราให้ดีขึ้นให้เจริญขึ้นให้มีความสงบตั้งมัน่นเมื่อจิตสงบตั้งมั่นไม่ลหลงไหลไปกับเรื่องราวภายนอกจิตใจดวงผู้รู้อยู่ในตัวในใจเราทุกคนนี่แหละ ยะมีความรู้ความามาดอ่านมองเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวเราในตัวเราว่าในโลกลูกนามกายใจตัวตนคนเรานี่มันเที่ยงแท้แน่นอนที่ไหนความจริงแล้วร่างกายสังขารมนุษย์คนเรานี่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ แต่จิตไม่ได้กำหนดภาวนาพุทธโธในใจก็มาเห็นว่าร่างกายเป็นของมั่นคงถาวรยั่งยืนความจริงร่างกายคนเหล่านี้เต็มไปด้วยพยาธโลคขาความเจ็บไข้ได้ป่วยมีโยทุกตัวคนเพราะเนื้อหนังมังสังมนุษย์คนเหล่านี้ มันเป็นเนื้อก็อ่อนหนังก็บางเป็นของไม่ทนทานมือขอบเขตอยู่ว่ารูบร่างกายมนุษย์คนเรามันโยภาย ใ, ใต้ร้อยปีไม่ค่อยถึงร้อยปีส่วนมากก็ตายกันเสียก่อนผู้ที่จะไปถึงร้อยปีนั้นก็น้อยคนเต็มที ถึงกะนนั้นพรพระที่ท่านให้แก่ญาติโยมเวลาทำบุญสุนทานท่านก็ให้พรว่าให้ญาติโยมทั้งหลายจงมีอายุยืนยาวคราวไก่ได้ร้อยปีในพรพระท่านให้ญาติโยมให้ได้อายุร0อยปีแต่ส่วนมากนั่นก็คือไม่ค่อยถึงเพราะว่า ถ้าผูไปถึงก็ได้สวัสดิธรรมอะไรไม่ค่อยจะได้พอมันแก่ชราพระพุท ธ, ธเจ้าของเราพระองค์จึงเลือกเอาพอดีคนในสมัยนั้น 2,000 ปีกว่าคืนไปหลังอายุคนยุคนั้นเลยอายุร้อยปีแต่พระพุท ธ, ธเจ้าของเราไม่เอาเอาแค่แปดสิบปี คือคนแปดสิบปีถ้าเราดูคนในสมัยนี้ก็ยังพอไปได้อยู่ยืนเดินนั่งนอนไปมาด้วยตนเองถ้าเลยแปดสิบปีไปแล้วนะ่ะกุกกะณนะโมเต็มทีพระพุทธเจา้าแม้พระองค์มีกำลังกายกำลังจิตอันสา ม, มารถอาหาน วันที่พระองค์จะดับขันเข้าสู่นือิ่านคืนนั้นกลางวันพระองค์สเสด็จเดินทางตลอดวันจึงมาถึงเมืองกุตสินาลายอันเป็นสถานที่ดับขันเข้าสู่นือิ่านของพระองค์พระองค์ยังเดินทางได้ตลอดวันพอมาถึงแล้วก็จับแจงที่ บันทมเทศนาสั่งสอนไม่ต้องกังวลด้วยยุกยาแก้โรคภัยไข้เจ็บเหมือนคนเราสมัยนี้คือท่านปองตกแล้วว่ะแม้จะเยียวยาพยาบาลสักเท่าไหร่ก็ตามโรคประขัน์มันจบลงไปแค่นั้นแล้วแต่ชิดปีอยู่ไม่ได้แล้วก็ไม่ต้องมุ่งที่จะ เยียวยาพยาบาทเทศนาสอนสาวกทั้งหลายตลอดคืนก็ว่าได้จวนจะสว่างพระองค์ก็ดับขันเข้าสูน่นรอผ่านอันเป็นสถานที่เรียก ว, ว่าสุดยอดไม่ต้องมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาไข้มาตายมาเป็นทุกข์เป็นร้อนห่วงอะไรบ้านเดือน ญาติกาวงสาพ่อแม่ลูกเต่าล้านเลนเหมือนคนเราธรรมดานั่นแหละที่พระพุทธเจ้าท่านบำเพ็ญมานั่นมุ่งไปโู่ความพ้นทุกข์าั้งปวงเราทุกคนผู้บำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนามาก็มากมายด้วยกันเหมือนกันแหละ <c oughs> แต่ว่ายังไม่พ้นไปได้เมื่อยังไม่พ้นไปได้จึงมีวิธีการฟังธรรมฟังธรรมฟังเทศแล้วก็หัดนั่งสมาธิภาวนาไม่ว่าอะไรซึ่งมันเป็นความดีแล้วท่านให้นึกให้เจริญให้ศึกษาให้ท่องบนศาสตรยาย สารสนรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ได้มากมายพอสมควรเป็นเครื่องนำไปฝึกสอนจิตใจตัวตนคนเราให้ดีขึ้นไม่ให้จิตใจมันท้อถอยท้อแท้อ่อนแอในหัวใจเพราะว่าคนเรานั้น <c oughs> ใจนี่มันเป็นใหญ่ เป็นประธานสําเร็จแล้วโดวยดวงใจถ้าใจนี่จะทําบาปอากุศลต่างๆก็ทําได้ถ้าใจนี่จะทําบุญทำกุศลปฏิบัติบูชาภาวนาละกิเลสก็ได้เหมือนกันเพราะว่าใจมันเป็นใหญ่เป็นประธานสําเร็จแล้วโดวยดวงใจหรือว่าเจตใจ คนเรานั่นมันเป็นนายเป็นพระเจ้าอยู่หัวเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็ว่าได้เป็นใหญ่อยู่ในดินก้อนนี้แผ่นนี้คือขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งเป็นใหญ่อยู่ที่นี้เมื่อเป็นใหญ่อยู่ที่นี่ จิตใจอันนี้มีความเชื่อความเลื่อมใสในทางพุทธศาสนาในการปฏิบัติบูชานั่งสมาธิภาวานาสระดับรับฟังเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้จิตใจของเราเกิดกำลังความสามถอาจหานขึ้นมา ทำความเพียรเพื่อละกิเลสความโกรธในใจให้มันหมดไปละกิเลสความโลภในใจให้มันหมดไปละกิเลสความหลงใ น, ในใจให้มันหมดไปเพราะกิเลสความโกรธกิเลสความโลภกิเลสความหลงอันมีอยู่ในใจของม น, นุษย์คนเหล่านี่แหละพาให้มาเกิดมาแก่มาเจ็บมาไขา้มาตายไม่จบไม่สิ้น เมื่อจิตใจดวงนี้มีอยู่ในตัวเราทุกคนท่านจึงให้เอาใจดวงนี้แหละมานึกบริกรรมภาวนาพิจารณาธรรมกรรมฐม า, านเมื่อยังนึกอะไรไม่ออกนึกอะไรไม่ได้ท่านก็บอกอุบายว่าให้นึกภาวนาพุทธโธเอาคุณพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ ว่าพระพุทธเจ้าบำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนามามากมายจนได้เป็นพระพุทธเจ้าเอาคนของขั้นมานึกมาเตือนใจของตัวเองแล้วจิตใจจะได้มีกำลังความสามารถอาจหาขึ้นมาในจิตใจนี้จึงมีวิธีนั่งสมาธิภาวนา เพื่อเป็นสันเล ข, ขธรรมขัดเกากิเลสในจิตในใจของเราทุกคนไปเพราะว่าไม่มีอะไรที่จะดีเท่ากับการปฏิบัติบูชาภาวนาเพราะว่ากิ จ, จกรรมการงานในทางพุทธศาสนานั้นการทำบุญให้ทานอันนั้นก็เป็นบุญอันนั้น การรักษาศีลห้าศีลแปดขึ้นไปอันนั้นก็เป็นบุญกุศลขึ้นไปเมื่อเราทำบุญให้ทานรักษาศีลแล้วก็ต้องมีการปฏิบัติบูบชาภาวนาที่ให้รวมจิตใจมานึกเอาพระพุทธคุณเป็นอารมณ์คำว่าพุทโธพุทโธในใจ ให้ใจเราเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวอยู่ภายในจึงจะเข้าใจในธรรมปฏิบัติเพราะว่าธรรมปฏิบัตินั้นเราต้องปฏิบัติจึงเข้าใจถ้าไม่ปฏิบัติไม่ประกอบกับธรรมแล้วก็เข้าใจไม่ได้เพราะอะไรก็เพราะว่าจิตคนเรามันฟุ้งซ่านลำพาน เทศอ่านไปแต่เรื่องราวภายนอกไม่ได้มาสงบตั้งมัน่นอยู่ในดวงจิตดวงใจทุกลมหายใจเข้าออกก็เลยไม่รู้ไม่เข้าใจเวลานี้ท่านจึงมีวิธีการหัดใจของตนให้มีความสงบรังอับโดยเชาวพังจันที่กายใจนั้นสงบตั้งดวงสันประทางที่ดีได้ ไม่คิดไปในทางชั่วเสียหายไปทางศีลทำคำสั่งสอนละบาปบำเพ็นบุญสิ่งใดเป็นบาปละทิ้งสิ่งใดเป็นบุญ ร, รีบทําโดยเฉพาะบาภาวนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการภาวนาอันนี้เป็นบุญภายในบุญภายในบุญภาวนานี้ ไม่ว่าใครๆทำได้ทุกคนไม่มีทรัพย์สินเงินทองวัตถุเข้าของอันใดก็ตามมีดวงใจนึกถึงคุณพระพุท ธ, ธเจ้าคำว่าพุโทโธพุธโทโธแล้วก็ใช่ได้แต่ต้องนึกต้องเจริญจนกระทั่งจิตสงบระงับตั้งมั่นลงไปเป็นดวงหนึ่งดวงเดียว จึงจะได้ความรู้ความฉลาดความสามารถอาจหานเกิดมีขึ้นในจิตใจของตนนั่นอันการปฏิบัติบูบชาภาวนานี้ท่านไม่เลือกว่าคนแก่คนชลาคนหนุ่มคนแข็งแรงเด็กเล็กในสมัยครั้งพุทธกาลเด็กเด็กขนาดอายุเจ็ดขวบ ท่านยังสามารถปฏิบัติบูชาภาวนาละกิเลสความโกรธความโลภความหลงในจิตใจของท่านจนหมดสิ้นไปก็ได้นั่นแหละคือว่าคนสมัยเก่าโน้นคนตั้งใจคนใจบุญก็ว่าได้คนใจบุญสุนทานตกมาสมัยนี้นั่นคือว่าคนเราไม่ค่อย มาสนใจในทางธรรมะปล่อยให้จิตใจไปสนใจในทางโลกกันเป็นส่วนมากจิตใจจึงได้เกิดความทุกโทมนัดครับแค่นแน่นใจหาความเยือกเย็นสบายไม่ค่อยได้เห็นนั้นการปฏิบัติบูบชาภาวนานี่แหละจะเป็นหนทางหนึ่งที่จะชักจูง ดึงเอาจิตใจของเราให้เข้ามาถึงคุณประพุทพธธรรมประสงภายในใจของเราให้ได้ถ้าว่าเราคิดผิวเผินไม่ตั้งกราบพระวายพระสวดมนต์นั่งธรรมฐานนั่งบริกรรมภาวนาให้จิตใจสงบสั ง, งับเย็นสบายเสียก่อนจึงค่อยนอนทุกทุ ก, ทกคืน เมื่อผูอ้ใดตั้งได้อย่างนี้แล้วก็ประกอบกระทาไปทุกขืนความเคยชินในจิตใจอันนั้นแหละมันก็จะเกิดความคล่องตัวขึ้นมาเมื่อเราทำในใจทั้งภายนอกภายในจนจิตใจสงบระงับเห็นด้วยตัวเองว่าเป็นความสุขสงบ ก็เกิดความหมั่นขยันขันแข็งขึ้นมาในจิตใจนะการประพฤติปฏิบัติมันก็ไม่ยากถ้าเรามีความเชื่อความเลื่อมใสเตียงขอมันยากอยู่ที่ตอนแรกแรกใหม่ๆไม่เคยชินเท่านั้นเองถ้าเคยชินแล้วมันเห็นผลด้วยตนเองแล้วมันก็ทำได้ปฏิบัติได้ไม่ใช่ของยาก มันยากอยู่ที่เราไม่ลงมือทําถ้าเราลงมือภาวนาทำทุกคืนทุกคืนมันไม่ยากมันง่ายไม่ว่ากิจกรรมการงานทางโลกและทางธรรมท้าฮว่าทำจนมันเคยชินแล้วมันก็ไม่ยากคล่องตัวไปแต่หลักนั้นที่จะเป็นไปได้เราต้องมีหลักคือว่า ต้องทำถ้าไม่ทำไม่ปฏิบัติไม่รู้ไม่เข้าใจทำจนมันรู้มันเข้าใจความสงสัยต่างๆมันเกิดมีขึ้นก็ระงับดับไว้ก่อนมาเอาจิตใจดวงผูู้้โยภายในเนกภาวนาให้จิตใจดวงนี้มีความสงบตั้งมัน่นเป็นดวงหนึ่งดวงเดียว ในใจเสียก่อนแล้วมันก็ค่อยเข้าใจไปโดยลำดับเราอย่าไปบ่นว่ายากถ้าจิตใจเป็นผู้ว่ายากลำบากทำไม่ได้มันก็ไม่ได้แหละถ้าใจมันนึกว่ามันของทำได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าของเราพระองค์ ภาวนาจนได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเทจ้าเป็นหลักฐานพยานปรากฏการให้เราเห็นอยู่ท่านยังทำได้แล้วเมื่อทำทำได้แล้วท่านก็สอนไว้ด้วยให้พวกเราทั้งหลาย ประพฤติปฏิบัติภาวนาทาจิตใจให้สงบระงับ ต, ตั้งมั่นต่อไปอีกท่านยังสอนไว้แม่องท่านจะดับขันเข้าสู่นารถานแล้วก็ตามท่านยังวางศาสนาพุทธไว้ในโลกนี้นับจากพระพุทธเจ้านิพพานมาต่อไปห้าพันปี ศาสนาธรรมคำสอนของพระพุทธเจา้าจึงจะเสื่อมชิ่นหมดไปจากโลกนี้ไม่ใช่หมดง่ายๆชั่วชีวิตของเรายังไม่ถึงศาสนายังเลยพวกเราไปอีกแต่ว่าเวลานี้ให้เราทุกคนตั้งใ จ, จเจริญภาวนา พุทโธในใจให้มั่นคงสิ่งที่เราต้องการปรารถนาว่าเมื่อใดหนอเราจะได้สถานที่ปฏิบัติบูบชาภาวนาดีๆเมื่อเรามาถึงสถานป่าเขาลำเนาภัยอย่างนี้แหละเราก็ได้แล้วสถานที่ภายนอก แต่เราจะต้องทําใจของเราให้พออกพอใจกับสถานที่ภายนอกเมื่อสถานที่ภายนอกเงียบสงัดเย็นสบายให้ใจเราเย็นสบายพุโทโธในใจให้ใจสงบตั้งมั่นเย็นสบายไม่ต้องเป็นห่วงหน้าห่วงหลังวิตกวิจารณ์เพราะว่าการอยู่ในโลกนี้ ไม่ใช่ที่อยู่ของเราจริงๆเป็นเพียงอาศัยชั่วบำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนาให้เต็นที่เท่านั้นสถานที่อยู่ของเราทุกคนก็คือว่านิพพานังประมังสุขขังนิพพานเป็นซุปตราบใดที่ยังไม่ถึงนิพพานก็ยังไม่จบไม่สิน้น จะต้องทำไปปฏิบัติไปภาวนาพุทโธในใจเรื่อยไปเอาจนจิตใจนี่แหละแน่วแน่มั่นคงไม่หลงไหลพุทโธอยู่ในดวงใจจริงจริงจนเกิดศรัทธาภาษาทะความเชื่อความเลื่อมใสในจิตใจของเราจริงจริงไม่มีความท้อแท้ออนเอในหัวใจทุกคืนภาวนาได้ สงบรังรับในใจได้ไม่ว่ายืนเดินนั่งนอนพุทโทในดวงใจมีโยตลอดเวลาเนี่แหละเป็นทางที่จะชักจูงพยุงใจของเราให้ดีขึ้นให้เจริญงอกงามขึ้นในทางพุทธศาสนา ดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาลชะะนีสัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตภวั ต, ว, ตวันตรายโยสุขิทีขายุกโกภวัปปิวาธนาสีริสนิทยังวุทธาปจัจจายิโนจตารโรธรรมมาวัทันติ อายุวันโนโศ ข, ขังผาลัง <c oughs> การนั่งสมาธิ <c oughs> การนั่งกรรมฐ า, านแล้วเกี่การนั่งกรรมฐ า, านก็ให้ดูตัวอย่างเม <c oughs> <c oughs> <ME> ื่อพระพุทธเจ้าของเรานั่งสมาธิภาวนาใต้ร่มไมโพ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 แล้วรวมจิตรวมใจของพระองค์เข้าสู่ความสงบระนับอารมณ์เรื่องราวต่างๆที่เป็นอดีตอนาคตท่านก็เลิกละปลดปล่อยออกไปแม้เราท่านทั้งหลายเวลานี้ขณะนี้ก็อย่าให้จิตใจเราเลื่อนลอยออกไปภายนอก ภายนอกภายในนั้นมีโยที่ตะจะปริยันโตหนังหุ้มโยเป็นที่สุดลอบคือร่างกายของเราทุกคนนี่เองไม่ให้จิตใจคิดไปนอกหนังหุ้มโยคือให้ทบทวนกระแสเข้ามาภายในภายในหนังหุ้มโย <c oughs> ภายในหนังห่มโยเป็นที่สุดรอบนี้แล้วว่าภายในจิตที่คิดออกนอกหนังออกไปแล้วว่าเรื่องภายนอกเรื่องภายนอกนั่นมันห่างไกลออกไปไม่จบไม่สิน้นถ้ารวมเข้ามาภายในภายในหนังห่มอยนี้รล้วว่าใกล้เข้ามาภายในหนังห่มโยนี้ เรียกว่าตาจะปริยันโตมีหนังหุ้มโยเป็นที่สดรอบที่หนังหุ้มโูยนี้เต็มไปด้วยน้ำเลือดเต็มไปด้วยน้ำเหลืองเต็มไปด้วยธาตุน้ำถ้าดูให้เห็นภายในจิตแล้วจิตจะไม่หลงรักหลงชัง เพราะภายในหนังหุ้มโยเป็นสิ่งปฏิโกลไม่สวยงามแค่นั้นทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกจงเป็นผู้มีสติความระลึกได้ในใจของตัวเองอยู่ภายในนี้เสมอลมเข้าไปก็ให้นึกถึงคุณพระพุทธเจ้า ว่าพุโทโธธรรมโมสังโฆพุโทโธพุธโทโธทุกลมหายใจเข้าออกเมื่อนึกเมื่อเจริญแล้วก็ลดละทิฏฐิมานะความเห็นผิดต่างๆในจิตใจนั้นออกไปไม่ให้มายึดถือเพียงว่าหน้าตาชื่อเสียงอะไรต่อมิอะไรนี่เป็นตัวเราของเรา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 พวกลมหายใจเข้าออกเรื่องความยึดหน้าถือตาความยึดชาติยึดตะกูลยึดเหล่ายึดของของเหล่าก็ต้องหายออกไปเป็นจิตใจที่ว่างเปล่าโยภายในใจนั้นใจนั้นจะไม่ต้องไปทุกข์ไปลอนกับคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลาย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 จนถึงขั้นอิจฉาพยาบาทอาฆาจองเวนนั่นก็คือว่าขาดสติขาดสมาธิขาดปัญญาขาดวิชาความรู้ความเข้าใจข่องแท้แน่นอนในจิตใจของตัวเองจองยกจิตใจของตนให้ออกจากความล่มหลงเหล่านี้ ความรุ่มหลงเหล่านี้มันเป็นเมฆเป็นหมอกปิดบังดวงจิตดวงใจไม่ให้มองเห็นสภาวทธาตุสภาวะธรรมสภาวะธาตุโลกนี้คือธาตุดินธาตุดน้ำธาตุไฟธาตุลมเขามีโยอย่างนี้ก่อนเรามาเกิดเขาก็มีโยอย่างนี้ แม้เรามาเกิดธาตุดินน้ำไฟลมก็มีอยู่อย่างนี้หรือเราตายไปแล้วตัวเราของเราอย่างที่นั่งอยู่นี่ไม่มีธาตุดินน้ำไฟลมก็มีอยู่อย่างนี้อสุภกรรมฐานร่างกายเป็นของไม่งามก็มีอยู่อย่างนี้สิ่งเหล่านี้แหละเราต้องรู้ว่า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 มนันคือตัวสังขารจิตที่ปรุงแต่งคิดนึกอะไรต่อมิอะไรไม่ขาดสายไม่ต้องตามมันไปตามดูที่ลมเข้าลมออกเท่านี้พอแล้ว <c oughs> ลมเข้าไปใครเป็นผู้รู้ว่าลมเข้าไปลมออกมาใครเป็นผู้รู้ว่าลมออกมา ลมเข้าลมออกต้องมีจิตใจรู้รู้ว่าลมเข้ารู้ลมออกพร้อมด้วยสติคือความะระลึกได้ไม่ให้ใจมึนๆงงๆอยู่ในใจให้ใจมันแจม่มแจม้งชัดเจนอยู่ในองค์พระพระคือว่ารัตนะแปลว่าแก้วแก้วคือของใสใจที่ไม่มีความโกรธ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 เพราะสิ่งทั้งหลายนั้นมีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนทั้งรูปร่างกายของคนสัตว์วัตถุธาตุตัางหลายไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนมีความเกิดขึ้นแล้วกว็ดับไปเกิดขึ้นแล้วกว็ดับไปอย่างนั้นเองเมื่อรู้ไม่เท่าเอาไม่ทันจิตใจก็เข้าไปยึดไปถือว่าเป็นของของตัวเอง ทั้งๆ ท, ที่บอกมันก็ไม่ฟังอานิจจังทุกขังอนัตตาเต็มโลกเมื่อเป็นเช่นนี้ผู้ปฏิบัติธรรมภายในจิตใจจึงไม่ต้องวุ่นวายภายนอกจงรวมจิตรวมใจของตนเข้ามาภายในจนมองเห็นแจ้งคัดว่าอัปปังชีวิตต่างชีวิตของเหล่านี้มีน้อยที่สุด ไม่ใช่มากมายอะไรมันแค่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี้เทานั้นเองเมื่อบุคคลผู้ใดมามองเห็นได้ว่าชีวิตเป็นของน้อยนิดเดียวผู้นั้นจะเกิดความไม่ประมาทขึ้นมาในจิตใจจะต้องตั้งใจปฏิบัติบูชา ภาวนาละกิเลสมาให้กิเลสความโกรธมาอยู่ในใจไม่ให้มีกิเลสความโลภมาอยู่ในใจไม่ให้มีความหลงเข้ามาอยู่ในใจทําใจของตนให้แจ้งใสหมดจดสะอาดทุกอิริยาบทยืนเดินนั่งนอนเรียกว่าตั้งโยในความไม่ประมาทมัวเมาความไม่ประมาทมัวเมานั้นท่านว่า อยู่ทีเมสติสตินั้นคือความะระลึกได้สตินั้นเปนว่าเหมือนกับว่าที่เลี้ยงดูแลเด็กทารกไม่ให้ตกไม่ให้เกิดไปอันตรายไม่ว่าทารกนั้นจะเคลื่อนไหวไปมาอย่างไรที่เลี้ยงี่ดูก็จะต้องระมัดระวังรักษา เจตใจของตัวเองนี่แหละจะต้องมีสติความระลึกอยู่ในใจของตัวเองว่าสิ่งใดที่มันยึดมั่นถือมั่นอยู่ในใจก็เพียรพยายามเลิกละปลดล่อยออกไปสิ่งใดที่มันจะเกิดขึ้นมาใหม่ก็ตามรู้เห็นอยู่ภายในเรียกว่าไม่ปล่อยให้อำนาจฝ่ายต่ํา ้าเอาจิตใจหลงไหลไปตามอำนาจกิเลสความโกรธกิเลสความโลภ ก, กิเลสความหลงทาใจของตนให้ใสเหมือนแก้วมั น, นิคือว่ามองเห็นตลอดเวลาว่าจิตใจหลงอยู่ในอารมณ์อะไรคล้องอยู่ในเรื่องอะไรติดอยู่ในเรื่องอะไรในใจนี้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 มีใจิตใจภาวนาอยู่ตลอดการไม่เฉพาะแต่ว่าเวลานั่งสมาธิภายในใจิตใจนั้นนั่งก็ภาวนาให้ได้นอนโยยังไม่หลับก็ภาวนาให้ได้เยืนโยก็ให้ภาวนาได้เดินไปมาที่ไหนก็ภาวนาให้ได้เรียกว่าบังคับบัญชาตัวเองอยู่ตลอดเวลา ไม่ให้จิตประมาทมัวเมาเผลอเลอมายโโในใจให้ใจใสสว่างกระจ่างแจง้งทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนทุกยยาบทนี่จึงชื่อว่าการทำสมาธิภาวนาได้ทุกการทุกเวลาทุกยิยาบทยืนเดินนั่งนอนทุกลมหายใจเข้าออก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 มารณะความแตกดับความทำลายของลูกนามนี้ให้ได้ท่านว่ามารณะมารานังคือความตายจงนึกได้ทุกลมหายใจเข้านึกให้ได้ทุกลมหายใจออกว่าต้องตายแม่นแน่คนเราเกิดมานั้นใครจะเอาเวลาไหนไม่ได้ทางนั้น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 เลิกละกีลาความโกรธโลบหลงให้ออกจากจิตใจไม่ให้มันเป็นจิตใจอิจฉาตาร้อนแก่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายจองเพียนเท่งโยภายในใจของเราให้มีสติเตือนใจของตัวเองให้ได้ตลอดเวลาเมื่อความตายมาถึงเราจริงๆแล้วก็จะได้พร้อมที่จะต้ตอเลือเลิกละทุกสิ่งทุกอย่าง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 ดังสแสดงมาก็สมควรด้วยกาละเบลาเอวังก็มีด้วยประกาศชนีสภิเตยวิวัันตุสัพพโลคโคมินัสตุมาเตภวัตตวันตราโยโสขีเทคายุโกภวอธิวาธนาเีรษสเนจยังวุธาปัาจจาิโน จัตตารธรรมวทันติอายุวันโนสุขังธาลังดังได้โค้งก็เฉยไม่ยอมทำตามอนนานาจกิเลสอุเบกขาจิตนั่นแหละถ้าผู้ใดทำได้ปฏิบัติได้เมยังหลังมหาสารอย่างว่า คนอื่นเขาด่าให้เขาว่าให้อย่างนั้นอย่างนี้ถ้าจิตวางเฉยมันก็ไม่มีเรื่องอะไรด่าอย่างไรก็โลกนี้เขาด่ากันมาอย่างนี้ตั้งฟ้าตั้งแผ่นดินตั้งมนุษย์มาแล้วเราจะมาวันไหวกับคำดุด่าว่าร้ายของโลกอยู่หรือปล่อยให้มันว่าไปท่าเดียวหน้าที่ของเราก็ นั่งสมาธิภาวนาเดินจงก้มทุกเช้ทุกวันเล่งความเทียนอายุไม่ถึงร้อยปีก็ตายก่อนจะตายให้เราได้ทำความเพียรละกิเลสราคะโทสะโมหะในตัวในจิตใจให้มันออกไปหมดเสียก่อนถ้าละกิเลสหมดแล้วมันจะตายเมื่อใดเวลาไหนไม่สำคัญ ้ากี่แหลยังไม่หมดมันตายก่อนเราเอาแหละลำบากตายแล้วมันก็มาเกิดเป็นลกูกเป็นหลานของพวกเรานั่นแหละเกิดมาแล้วก็ทุกไปอกีกทำมาหากินวุ่นวายอยู่ในโลกอันนี้แหละเพราะเราไม่เพียรไม่หมั่นไม่ขยันขันแข็งในการปฏิบัติบูชาภาวนาให้เต็มที่ ถ้าทุกคนมาเห็นทุกขเข็นโทษเห็นไขในโลกในวัฏสงสารว่าถ้ากดมาอีกก็ทุกข์อีกไม่ใช่ทุกอย่างเดียวแก่ไปเจ็บไปไข้ไ ป, ไปตายไปอันที่คนเราตายมันไม่ใช่ว่าจิตมันตายจิตมันไม่ได้ตายรูปประขันขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งหนังหุ้มโยเป็นที่สุดรอบรูปประขันนั่นเอง มันแก่ชราไปมันก็ตายเองหรือมีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนร่างกายมันก็ตายได้อุปทวะเหตุต่างๆก็ตายได้โดนของแหลมของอะไรก็ตายได้ตกจากที่สูงลงมาก็ตายได้รูปประขันนี่เล่ามันตายเราจะไปกลัวทำไมให้พากันตั้งใจปฏิบัติบูทาภาวนา ทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนทุกอิริยาบมดจนถึงขั้นละกิเลสความโกรธในตัวในใจให้หมดไปละกิเลสความโลภความอยากได้ในตัวในใจให้หมดไปละกิเลสความหลงในตัวในใจให้หมดไปสิ้นไปเมื่อกิเลสในตัวในใจหมดไปแล้ว มันก็หมดที่จะมาเวียนว่ายตายเกิดในโลกนี้อีกต่อไปเพราะว่าจิตมันแจ้งกสรบริสุทธิ์หุดพ้นออกจากกิเลสลาคะโทสะโมหะแล้วมันจะตายแดดไหนท่านก็ไม่ทุกข์ไม่ร้อนจิตใจท่านพ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนอันนี้แหละจึงให้เราทุกคน ฟังคำแล้วกดตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาเอาให้จิตใจมันเกิดพลังงานสามารถอาจฐานจริงๆอย่ามาย่อท่ออยู่ตลอดเมละ่ะกิเลสในหัวใจของเราไม่มีคนอื่นใดจะมาเลิกละให้ได้เป็นหน้าที่ของตัวเองจะต้องเลิกจะต้องละกิเลสราคโทสะโมหะเหล่านี้ ให้หมดไปสิ้นไปก่อนตายจึงถูกต้องพระพุทธองค์ท่านทรงตัดไว้ว่าเราตถาคตหมายถึงพระองค์เองก็เป็นพูด